บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวเรื่องความเคลือบแพลงสงสัยทิ่บาลีตั้นใช้คำว่าวิจิกิจามาโดยลำดับเพราะกิเลสตัวนี้เป็นกิเลสประเภทโมหะ เป็นอาการของอวิชชานั่นเองสาบดด้ที่จิตใจของบุคคลยังมีความเคลือบแพลงสงสัยอยู่ทุกอย่างก็จะเดินไปไม่ได้เพราะนั้นคุณธรรมทั้งหลายที่มีการศึกษาและปฏิบัติกันจะต้องมีวิธีการการจัด ความคลึ้มคล่งสงสัยออกไปให้ได้ในจุดใดจุดหนึ่งก่อนเพราะทํามาอย่างนั้นแล้วการศึกษาปฏิบัติที่สืบต่อกันมาือแม้แต่ที่เป็นจุดเริ่มต้นก็จะมีไม่ได้ห้าลองสังเกตว่าเราเกิดความสงสัยว่าทำดีได้ดีจริงหรือนี่เราก็หยุดการกระทำดีไปชัว่วขณะ ตาบเท่าที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าทำดีได้ดีจริงหรือไม่จึืแม้แต่การรับประทานอาหารรับประทานยาเกิด ค, ความเครือแ่รงสงสัยขึ้นมาว่ารับประทานได้หรือไม่หรือรับประทานเท่าไหร่การรับประทานยาก็ชะ ง, งักแล้วในจุดนั้นพระคำสอนในแนวนี้จึงมีการเน้นไว้ในที่ต่างๆเป็นนั้นมาก และแม้แต่คนซึ่งควังธรรมะในสมัยพุทธกาล่าจะปรับพื้นฐานให้เกิดการยอมรับซะก่อนคือยอมรับที่พระพุทธเจ้าหรือที่อะไรสักอย่างก่อนแน่นอนถ้าหากคาศรัทธาเขามั่นคงในพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์มันก็เดินไปได้ด้วยตีแต่ในจุดเริ่มต้นอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องเชื่อในจุดใดจุดหนึ่งให้ได้ เพื่อจะเป็นปันไดนำตนเองขึ้นสู่เบื้องสูงโดยดําดับปัญหาสำคัญว่าความเครียดแรงสงสัยโดยพื้นฐานจริงๆนั้นเกิดขึ้นจากบาลีตั้งใช้คำว่าอโยนิโนโสบนสีการคือการไม่ได้ใช้ความคิดโดยแยบขายสมเหตุสมผลในเรื่องเหล่านั้น วนเรื่องอะไรก็ตามที่ขาดการจึกนึกขาดความคิดอย่างรอบคอบรอบด้านถ้อมองไปในมุมใดมุมหนึ่งก็คงจะต้องมีความเครียดแกงสงสัยอย่างนั้นแต่เราบองอีกทีหนึ่งว่าการที่บุคคลจะใช้ความคิดให้สมเหตุสมผลใ้รอบครอบนั้นจะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องเหล่านั้นเป็นเครื่องมือในการคิด เพราะว่าไม่ว่าใครก็ตามจะคิดนอกจากประสบการณ์ตัวเองไม่ได้่องานสาคัญในการคิดก็คือเรื่องของจิตเพราะการจะกระจัดความเครียดแคลงสงสัยซึ่งเกิดขึ้นจากอโยนในสมนัสิการในการไม่ทำไวในใจด้วยบาดแยบขายนั้นทั้งแ็แสดงมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นก็คือการเพิ่มพูนรวประสบการณ์ขึ้นมาให้ได้ก่อน คนเรายังมีประสบการณ์มากเท่าไรพวกเห็นโลกมาเท่าไรความคิดความอ่านจะมีความรอบค้อบสุขุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสมเหตุสมผลสูงขึ้นมีความถูกต้องมากขึ้นความเครียดแรงสงสัยก็จะลดน้อยลงไปค้อนนี้พึงดูตัวอย่างเรื่องที่ยากต่อการจะทำความเข้าใจ เราเป็นเรื่องนอกวิสัยของปัญญาสามัญที่จะเข้าใจได้เช่นเกี่ยวกับความมีอยู่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายหรือของเทพเป็นเจ้าทั้งหลายคือชีวิตอีกมิติหนึ่งซึ่งพุะศาสนาทรงจาแนกแสดงไว้โดยนัยะวิสาดารแต่เราถึงความมีอยู่ของสังสารวัฏในรกสวรรค์บุญบผลบาปถือว่าเป็นเรื่องยากต่อการที่จะ พิสูจน์ทดสอบด้วยภูมิปัญญาสามัญเพราะอไรเพราะท่านที่รู้เรื่องเหล่านี้ท่านก็เป็นปัญญาวิสามัญตํานองใล้ยๆกับหมอที่เห็นเชื้อไวรัสต่างๆโดยกล้องจุลทรรศน์นั่นเองซึ่งแงความเป็นจริงแล้วถ้าหมอไม่มีกล้องนั้นก็ดูไม่ได้เหมือนกันคือเห็นไม่ได้เหมือนกัน แต่เมื่อคนได้ศึกษา พ, พิจารณาไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆเพิ่มพูนประสบการณ์ไปเรื่อยในวัยหนุ่มสาวอาจจะปฏิเสธไปเลยในวัยกลางคนอาจจะยอมรับบ้างมายอมรับบ้างแน่ใจสงสัยไม่แน่ใจสงสัย อ, อาจจะแน่ใจหรืออาจจะไม่แน่ใจหรือสงสัย อ, อาจจะไม่สงสัยอยู่บ้าง แต่ถ้าหากว่าสืบต่อประสบการณ์มาโดยดำ่ดับทั้งโดยการศึกษาด้วยการพิพจารณาด้วยการปฏิบัติพออายุสูงขึ้นเนี่ยจะเชื่อทั้งหมดทางๆที่จริงๆแล้วปรีชาญาณที่จอย่างรู้อย่างที่ท่านรู้นั้นยังไม่เกิดขึ้นก็ตามเพราะอะไรเพราะจากประสบการณ์ที่มีการเก็บการสะสมไว้ มันจะค่อยๆเพิ่มพูนเหตุผลให้มากยิ่งขึ้นมีความสวัสดิ์สมผลสูงขึ้นและในที่สุดท่านใช้ปัญญาของท่านไม่ได้เต็มที่ก็ตามแต่ท่านก็ใช้ศรัทธาของท่านได้เต็มที่ก็มีจุดทีดเหนียวที่ถูกต้องมั่นคงเพราะว่าที่มาก็สิ่งเหล่านี้เป็นการแสดงเรื่องธรรมะอุแสดงก็เป็นพระพุทธเจ้าพระหานทั้งหลายนันก็จะหลักของท่านได้ นีเราจะเห็นว่าตัวประสบการณ์อย่างเดียวแต่ก็มีการเก็บการสะสมที่ต่อเนื่องยาวนานเป็นระบบสามารถจะกระจัดความเคลือนแปลงสงสัยแม้แต่เหตุผลวิสามันซึ่งท่านรู้มาโดยหยาย่างท่านนั้นประการแรกท่านก็เรียกว่าจะต้องมีหลักที่เรียกว่าภูสัจจะ คือมีการศึกษามีการสะดับสบฟังมีประสบการณ์ในด้านต่างๆมากในข้อนี้ก็เป็นสูตรหลักหมายความว่าทรงสแสดงเมื่อไรแก่ใครก็ตามก็จะผ่านขั้นตอนมาทั้ง5ระดับจะเป็นการรอบรู้เรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่ามีความลึกซึ้งลงไปในเรื่องเหล่านั้น ในความชำนิชนานแตกฉานสามารถเชื่อมโยงเชียบเคีย ง, งลักษณะที่เหมือนกนนารลักษณะทรงกันข้ามลักษณะแผรเปลี่ยลนลักษณะคล้ายครึงของสิ่งเหล่านั้นแต่จุดที่เราจับเรามองที่จริงก็มีจุดเดียวแต่พอเราเข้าใจแยกอย่างลึกซึ้งในสิ่งนั้นนั้นก็เกิดอาการแยกแยะ ก, การวินิจ พ, พิจารณาชัดเจนมากิ่งขึ้น ขัน้นตอนของโพสจะคือการศึกษาสดับตรกฟังมากก็เริ่มต้นในการเรียนรู้ทางประสาทสัมผัสซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงในชีวิตแต่ประสบการณ์ในลักษณะนี้ไม่ใช่ข้อยุติที่สมบูรณ์เพราะโลกนั้นที่จริงก็มีมายาอยู่เป็นอันมากมีการปรุงแต่งมีการประดับประดาของกลุ่มผลประโยชน์ทั้งหลายอยู่เป็นอันมาก แต่โลกเราก็เป็นโลกประสบการณ์อย่างนั้นการรับรู้ก็ต้องรับรู้ในลักษณะนั้นในตอ น, ต, อนต้นประการต่อไปคือต้องมีการทรงจำเช่นการศึกษาธรรมะก็ต้องจำธรรมะจําข้อธรรม ะ, รมะยังไม่มีอะไรยแยกกลุ่มก็ธรรมะให้ได้อย่างที่เราพบองค์ธรรมแนวนี้จยเสมอว่า ธรรมะที่ทรงจำแนกแสดงเอาไว้นั้นก็คือเรื่องของอริยสัจทั้งสี่ในโลกทั้งปวงแม้สากลจักรวาลแก่กี่แสนกฎจักรวาลก็ตามก็อยู่ในกฎของอริยสัจสีเรามองอะไรเข้าเราก็แยกได้วันนี้เป็นอะไรในอริยสัจทั้งสี่เดน้องก็ทำมาแยกประเภทที่จะสะดวกต่อการปฏิบัติธรรมะข้อหม่ชนัอน แต่ถ้าสามารถทรงจำและเข้าใจเนื้อหาคณธรรมะได้ก็จะเป็นประโยชน์มากจิิงๆึ้นเพระาะลักษณะของปริญญาติคือการฟังการอ่านการศึกษานี่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับแผนที่ซึ่งเมื่อเราเดินไปตามแผนที่เหล่านั้นแล้วจะเป็นการตรวจสอบในตอนหลัง าการเดินบนตามเส้นทางที่บอกไว้ในแผนที่ก็จึงเป็นหลักของปฏิบัติแต่มันก็ต้องรู้แผนที่มาก่อนจึงจะเดินไปได้อย่างถูกต้องแต่ตัวแผนที่นั้นจะบอกว่าเราเดินมาถูกหรือมาผิดด้วยเช่นในการปฏิบัติธรรมสมมุติว่านั่งจเจริญกรรมาฐานไปเกิดหายใจไม่เกิดออกเกิดหายใจขัดหรือเกิดลมหายใจหายไป ถ้าเราขาดปริญญาคือการศึกษาเรียนรู้นั่นจะเกิดความสะดุ้งตกใจหวาดกลัวนึกว่าตัวเองจะตายแต่พอดีเรามีปริญญาตคือการเรียนรู้ในเรื่องนี้มาเราก็รู้ว่านี่คืออาการตามปกติของการจเจริญกรรมาฐานเพราะการที่รู้สึกว่าลมหายใจก็ค่อ ย, อยสงบลงไปจนถึงก็ขาดไปนั้นก็หมายความว่ากรรมาฐานก็เดินไปตามเส้นทางของเขา แต่ที่จะมองเป็นผลร้ายก็กลับมองเป็นผลดีว่าจิตได้เดินเข้าไปสู่ความสงบมากยิ่งขึ้ น, นจนสามารถสงบลมหายใจเข้าออกได้แต่ตัวความรู้นั่นเองจะเข้ามาตัดสินให้จะมาวินิจฉัยให้เกาแสดงความรู้นั้นจะต้องผ่านการเรียนการทรงจาํามาแต่บางอย่างก็เป็นกฎเกณฑ์เป็นหลักการที่สําคัญว่าต้องเป็นอย่างนั้นทุกทีจะไม่มีการเป็นอย่างอื่น ก็บอกว่าต้องท่องไว้เป็นการสวดการสาธยายทั้งหลายเนี่ยท่านสาวชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าจะเราทำวัดสวดมนต์จะยาวหรือสั้นก็ตามการสวดจากการจําไว้กับการสวดจากการอ่านนั้นจะมีความรู้สึกแตกต่างกันถ้าสวดจากการจําไว้นั่งหลับตาสวดจิตใจก็จะสงบ แต่ถ้ายิ่งสวดนานๆนั้นจะกลายเป็นสมาธิระดับหนึ่งจะถึงบางช่วงบางตอนจะรู้สึกม่อเราล่องลอยไปในห่วงอากาศแม้จะมีเพื่อนนั่งกลเป็นอันมากแต่ก็ไม่มีรูปไม่มีเสียงอะไรปรากฏในความรู้สึกของเราในขณะนั้นเพราะวาศาสตร์สัมผัสหลายส่วนได้ตัดการรับรู้ออกไป ใจมาเกิดจุดจ่ออยู่ที่องค์ธรรมที่เราสวดที่เราสาธยายทั้งๆที่บางทีเราก็ไม่เข้าใจความหมายแต่นั้นก็คือจุดสําคัญที่ดึงจิตให้สงบอยู่กับบทสวดเหล่านั้นทีนี้ถ้าหากว่านําเรื่องเหล่านั้นมาปีนิพิจารณาอีกตอนหนึ่งที่ทรงใช้คำว่าพิจารณาด้วยใจมันก็สามารถย้อนอารมณ์ในอดีต ซึ่งผู้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมจะสังเกตได้ว่าบางครั้งเนี่ยการคิดในปัจจุบันคิดอะไรก็ตามเรื่องใดเรื่องหนึ่งในปัจจุบันแต่เมื่เกิดเข้าใจเรื่องเหล่านั้นขึ้นในปัจจุบันแต่ประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันลักษณะตรงกันข้ามลาักษณะใกล้ครึงลักษณะแปรเพี้ยนที่มีมาแล้วในอนดีตแต่เราก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านั้น พอจับความตรงนี้ได้เราก็เข้าใจในจุดอื่นได้คือจะไปเพิ่มความเข้าใจในอดีตเช่นว่าเนื้อหาวิชาต่างๆที่เราเรียนสมัยประถมหรือสมัยมัธยมตรวกคงไม่เข้าใจดีนั่นเองแต่เรามาเมื่อเราเรียนสูงขึ้นเมื่อเกิดเข้าใจในจุดหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับไปสู่อดีตป ร, รากฏเราเข้าใจในสิ่งนั้นโดย เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยถ้าให้มองโดยรอบครอบแล้วก็จะมองถึงสิ่งที่เหมือนกันเพราะสิ่งหนึ่งปรากฏสิ่งหนึ่งบางอย่างเนี่ยมันจะเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏยู่นั้นเองเพราะเราก็เกาะกลุ่มได้ว่าจะมีสิ่งอย่างหนึ่งซึ่งเหมือนกับสิ่งที่ปรากฏตรงนี้จะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามแต่มีอย่างหนึ่งคือตรงกันข้าม ใก้ๆก็ขาวตรงเงาข้ามกับดําเย็นตรงเงาข้ามกับร้อนกลางคืนตรงเงาข้ามกลางวันมันเราเข้าใจสักอย่างาก็จะกลางคืนก็ได้เข้าใจกลางวันก็ได้แต่เราจะอธิบายลักษณะตรงเงาข้ามได้เช่นเราอธิบายความสว่างได้เอความมืดมันก็อยู่ตรงเงาข้ามความกว้างกับความสว่างเราก็อธิบายความมืดได้โดยไม่จําเป็นจะต้องเห็นความมืด นี่คือการมองจากจุดที่ปรากฏไปอยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ไม่ปรากฏกับสิ่งที่ปรากฏประการต่อไปอาจจะมองในแนวของการแผกเพี้ยนคือมันมันแผกออกไปบางส่วนแล้วก็เหมือนกันบางส่วนหรือบางอย่างก็เหมือนกันบางส่วนแล้วก็แปกเพี้ยนกันบางส่วนจะเรียกว่าใครครึ่งกันหรือแปรเพี้ยนกันตัวลงก็จะทําให้เห็น สิ่งทั้งหลายในแก่มุมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยการเรียนจริงเราก็เรียนจากจุดเกียวก็นี้มันสังเกตเช่นพระพุทธเจ้าทรงแสดงบุคคลวิชีชีวิตของบุคคลไว้เป็นสี่ประเภทใ ห, ใหญ่คือมืดมาและมืดไปมืดมาและสว่างไปสว่างมามืดไปสว่างมาสว่างไปคืนนี้ก็คือเป็นเกณฑ์หลัก หมายความว่าข้อแรกนั้นไม่ดีทั้งสองอย่างข้อที่สองนั้นดีอย่างหนึ่งไม่ดีอย่างหนึ่งข้อที่สามก็ดีอย่างหนึ่งไม่ดีอย่างหนึ่งข้อที่สี่นั้นก็ดีทั้งสองอย่างซึ่งเราอาจจะเอาไปจับที่อะไรก็ได้เช่นสมสมติราจับที่ผลไม้ผลไม้บางอย่างข้างนอกก็ดูไม่น่ารับประทานข้างในก็ไม่น่ารับประทาน ผลไม้บางอย่างข้างนอกดูไมน่ารับประทานแต่ข้างในอร่อยผลไม้บางอย่างข้างนอกดูน่ารับประทานแต่ข้างในไม่อร่อยผลไม้บางอย่างข้างนอกก็น่ารับประทานข้างในก็น่ารับประทานหรืออาจจะดูที่ดอกไม้หรืออาจจะดูที่อะไรกระดับแต่อาศัยโครงสร้างเดิมของคนทั้งสี่ประเภทนั่นเราจะมองอะไรอีกได้มากมาย ยันดอกไม้บางชนิดรูปก็ไม่สวยกลิ่นก็ไม่หอมมันก็เหมือนกับคนประเภทมืดมาแล้วก็มืดไปประเภทของผลไม้ที่ข้างนอกก็สัญใจก็ว่าข้างนอกก็ดิบข้างในก็ดิบแต่กระมัม่วงข้างนอกก็ดูดิบข้างในก็ดิบแล้วดอกไม้บางชนิดรูปไม่สวยแต่กลิ่นหอมมันก็เหมือนกับคนบางพวกที่ มืดมาแต่สว่างไปเพราะดอกไม้บางชนิดรูปสวยแต่กลิ่นไม่หอมเหมือนกับมืองคนบางพว ก, ก, ปปว ก, ก, กที่สว่างมาแต่ก็มืดไปดอกไม้บางชนิดรูปก็สวยกลิ่นก็หอมเหมือนกับคนที่สว่างมาและสว่างไปหรือเหมือนกับผลไม้ที่ข้างนอกก็น่ารับประทาน <t> ข้างในก็น่ารับประทานคือดูเปลือกก็น่ารับประทานไปถึงเนื้อจริงๆก็น่ารับประทานนี่คือหมายความว่า เป็นการเรียนจากจุดหนึ่งแล้วเชื่อมโยงก็ไปหาจุดหนึ่งเป็นตํานองคล้ายๆกับ แ, แสงสว่างมันอยู่ในมือเราแล้วเพื่อเติที่จะส่องไปข้างหน้าอย่างเดียวมันก็ส่องไปดูได้รอบตัวส่องดูข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้จะทําให้ความคิดความรอบรู้ความเข้าใจของบุคคลกว้างขวางมากขึ้นเพราะโดยเนื้อหาวิชาทั้งหลายในโลกทจริงมันก็ไม่มีอะไรมากมายนักหนาะ ก็อยู่ในโครงสร้างของ ร, รั j a s a ทั้งสประการดังกล่าวแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะติดอยู่ในรูปแบบอยู่ในโครงสร้างของสิ่งเหล่านั้นบางทีก็พันธนาการตัวเองผูกมัดตัวเองไว้ด้วยภาษาบางทีก็ผูกมัดตัวเองไว้ด้วยชื่อของเรื่องนั้นๆแต่ก็ยึดติดอยู่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่โดยเนื้อหาแล้ว มันไม่มีอะไรสลับซับซ้อนเพียงแต่ว่าเราดูข้างนอกมันก็สลับซับซ้อนแต่นั้นเมื่อบุคคลได้ใช้ความคิดจะเพิ่มปูนประสบการณ์ขึ้นและจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะในจุดนี้มันก็กลายเป็นรลกแสงสว่างซึ่งก็เป็นลักษณะของปัญญา มาเกิดขึ้นแล้วก็ขจัดความมืดจะช่วยความเครือบแครงสงสัยในจุดนั้น น, นได้ค่อยลดน้อยถอยลงไปแต่แน่นอนการจะะจัดความเครือบแครงสงสัยจริงๆนั้นส่วนหนึ่งเราใช้ศรัทธาเป็นหลักตอนต้นๆนะจะใช้ศรัทธาเป็นหลักคือมอบหมายความไว้วางใจให้แก่บุคคลผู้นั้นเช่นลูกมอบหมายความไว้วางใจให้แก่พ่อแม่ พ่อแม่สั่งพ่อแม่บอกให้ทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทำตั้งต่างที่เราก็ไม่มีภูมิบัญญาจะไม่นิจใยในเรื่องบางเรื่องได้เอาสจเชื่อท่านหรือว่าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็เชื่อครูบาอาจารย์เป็นพุทธมามะกะพุทธ ม, มีกาก็เชื่อรัตนใจได้เชื่อระสง่์ไปต้นนี่เรียกว่าอาศัยความเชื่อไปก่อนแต่เมื่อเราเพิ่มภูมิประสบการณ์ โดยญาี่ว่ามาแล้วจะเป็นการใช้ปัญญาจะมีความคิดที่เป็นระบบกฎเกณฑ์ต่างๆที่สามารถสอบทานเทียบเคียงกับสิ่งเหล่าอื่นโดยลงการสมการทุกจุดในเรื่องนั้นๆแต่แน่นอนการใช้สมการทุกจุดก็ต้องเพิ่มประสบการณ์มากยิ่งขึ้น แต่นั้นสาหรับสามัญชนแล้วยังไงยังไงก็ต้องอาศัยความเชื่ออยู่ส่วนหนึ่งเสมอไปเพราะความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อในบุคคลที่ควรเชื่อหรือในวัตถุที่ควรเชื่อนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายแต่จะเป็นเสริมให้ไม่ต้องพรบรักพวบนไม่ต้องเครือบแคลงสงสัยไม่ต้องลังเลสามารถตัดสินใจทําตัดสินใจพูดได้เพราะวิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ ปัญญาคือประสบการณ์ที่จะใช้ย่อย ใ, ใช้คิดเรื่องต่างๆเนี่ยเรามีไม่มากพอไม่ว่าใครก็ตามยิ่งใหญ่ยังไงก็ตามไม่มีประสบการณ์มากพอมาถึงจุดดึงเนี่ยต้องใช้ความเชื่อเราอาจจะเป็นศาสตราจารย์แตบชนันเป็นด็อกเตอร์มาก่อนเาป็นศาสตราจารย์แต่ว่าเราไปในที่บางแห่งเนี่ยอาจจะเชื่อเด็กอายุสีห้าขวบได้แน่ เดินไปในท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเราไม่มีแผนที่อะไรไปถึงก็ปรากฏต้องการจะไปที่หนึ่งไปไม่ถูกไปเจอเด็กริมถนนข้าวก็จอดรถถามเด็กบอกเขาก็ต้องไปทางนั้นตอนนี้ก็อาศัยศรัทธาแต่ก็มีปัญญาเข้ากํากับคือมีการวิจัยว่าเด็กแกอยู่แถวนี้แกคงรู้จากบ้านนั้นไปนต้นปัญญาแต็มที่จะนําปัญญามันก็เกิดตามก็อาศัยความเชื่อเป็นหลัก พระธมาทั้งสงประการจึงทาําหน้าที่ขจัดความเครื่อแครสงงสัยได้คนนี้ว่ามองในความสมเหตุสมผลคือสมคร้อยตามกันไปดูตัวอย่างบุคคลสําคัญที่ขจัดความเครื่อแปรสงองสัยได้เป็นเบื้องต้นก็คือประโสดาันพระโสดาบันนั้นขจัดความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนถือเราถือเขาหรือเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาออไป แล้วก็จากความเครียแครงสงสัยออกไปกระจากการถือบ้านโดยศีลวัดโดยข้อปฏิบัติทิ่งงม ง, งายไร้เหตุผลทั้งหลายออกไปประนั้นคือผลที่เกิดขึ้นจากการละเป็นการละด้วยปัญญาคือญาณคือสรุปว่าความเครียบแครงสงสัยในจุดนั้นเป็นผลของญาณเป็นผลของตัวปัญญาหรือความรู้หรือความสว่าง ถึงเมื่อเรามองกลับอีกทีหนึ่งว่าคุณสมบัติของพระโสดา บ, บันเมื่อท่านเป็นพระโสดา บ, บันแล้วเนี่ยนอกจากส่วนที่ท่านละได้ซึ่งก็ยิงก็เป็นนามธรรมมันยังมีส่วนหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายในใจท่านเป็นอาการปกติของท่านนั่นคือท่านมีความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขา เรื่องศีลสมาธิปัญญาในจุดนี้จะเห็นได้ว่าตัวศรัทธาที่เกิดนั่นเองทําหน้าที่ขจัดวิจีจฉ า, าคือความเครือเป่งสงสัยตัวโลภความสงสัยนั้นจะขจัดด้วยศรัทธาก็ได้จะขจัดด้วยปัญญาก็ได้แต่ว่าศรัทธากับปัญญาที่จริงแล้วเนี่ยเป็นธรรมะที่ต้องอิงอาศัยซึ่งกันและกันแม้เราพูดอย่างหนึ่งที่จริงก็มีอย่างหนึ่ง แล้ายๆกับเรารับประทานยาตามคำสั่งหมอดูแล้วคล้ายๆจะอาศัยศรัทธาลวนแต่ที่จริงไม่ใช่มันมีปัญญาอยู่ด้วยคือปัญญาความรู้ว่าท่านผู้นี้เป็นหมอท่านผู้นี้เป็นพยาบาลเราก็เชื่อเชื่อตัวผู้ให้ยาตัวผู้สั่งยาก็ําให้เกิดความเชื่อในยาและการเชื่อนั้นเกิดจากปัญญาพิจารณาทั้งความตอ่อเนื่องระหว่างหมอพยาบาลและยา มีความเกี่ยวข้องกันแต่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาเลยคือใช้สถานล้วนๆก็เสี่ยงเหมือนกันไปเจอยาผีบอกยาอะไรๆเข้าบอกว่าพุ่นที่ใช้ความเชื่ออย่างเดียวเนี่ยแต่ถ้าเรามองสังคมจริงๆคนไทยเราเป็นจานวนไม่น้อยที่เจอยาผีบอกแล้วก็แห่กันไปเป็นหมืนม่นๆแสดงว่าในจุดนี้ก็ไม่ได้ใช้ปัญญา แต่ใช้ศรัทธาแล้วค่อนข้างจะ ง, งมงายเพราะน้ำศรัทธาที่เกิดขึ้นโดยลําพังจึงมีความเสี่ยงทำให้เกิดถูกหลอกได้ง่ายเพราะอย่าลืมว่าศรัทธานั้นเป็นศรัทธาจริตจะด้วยหรือพวกเชื่อง่ายอะไรใครบอกอะไรก็เชื่อก็เรื่อยๆไปเป็นใช้เหตุผลไม่ใช้ใครครวพินิษพิจารณา อันนี้ก็จะนาพาเข้าไปสู่ความเครือแ่างสงสัยมากยิ่งขึ้นแทนที่จะลดความสงสัยลงไปประการต่อไปนั้นสำนวนมัลลีธันชัยก็ับมามากด้วยการสอบถามคือสงสัยข้องใจอะไรก็สอบถามแน่นอนในปัจจุบันนั้นบางครั้งก็ไม่จำเป็นจะสอบถามคนเพราะไม่เอกสาร มีตำราตำราต่างๆเป็นอันมากมีวิชาการต่างๆเป็นอันมากที่ถูกเก็บไปในคอมพิวเตอร์คือกดถามคอมพิวเตอร์ได้แต่อย่าปล่อยให้ความรงสัยนั้นตกค้างอยู่ภายในใจมาลักษณะการปัดกวาดบ้านรักษาความสะอาดบ้านคือทํามันทุกวันแต่บ้านจะสะอาดได้อยู่ได้าอาศัยอยู่ตลอด จิตใจของบุคคลที่มีมนทินคือความเครืบแครงสงสัยก็จะมีลัาากษณะอย่างนั้นถ้าปล่อยเก็บสะสมความสงสัยเอาไว้เรื่อยในสุดจะเป็นอาการหนักหรืจะทำอะไรไม่ได้ลักษณะเกรงเครียดสูญเสียความมั่นใจในตัวเองที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลายเป็นเรืมากไพราะว่าในวงการศึกษาวงการปฏิบัติงานในวงการปฏิบัติธร ร, รมะ เราก็ซืบเนื่องาจากความไม่มั่นใจทำทําไมมั่นใจมาสงสัยทําไมสงสัยเพระถูกครอบงามในวิจิกิจจาทำไมถูกล่อกงามในวิจิกิจจาเพราะโรคขาดปัญญาเป็นเครื่องขจัดความเครียแคลงสงสัยเหล่านั้นด้วยขาดศรัทธาเป็นเครื่องขจัดความเครียแคลงสงสัยเหล่านั้นมันก็หมุนเข้าสู่วงจรเดิม เพอะไรที่ค้างอยู่ภายในใจเช่นสมมติว่าเราอาจจะนอนไปแล้วจะเกิดความเครื่อนแปลงสงสัยใ น, นเรื่องใดเรื่งหนึ่งหนังสือทั้งหาอยู่ใกล้มือก็รีบค้นถามค้นดูเฉยเลยยองอดนอนเสหน่อยลุกขึ้นมาดูหนังสือเสียใหม่แต่หาเจอก็มันก็นอนหลับโดยไม่มีความเครื่อนแปลงสงสั ย, สยแตบางทีไม่ได้อยู่มีไม่ได้มีหนังสือใกล้มือไม่ได้มีอุปกรณ์ในการสอบคน้นก็พอสอบถามใครได้ก็สอบถามเฉ ย, ยเลย ในปัจจุบันที่ยิงสื่อมันมียุกมากสมัยก่อนสงสัยเรื่องบางเรื่องต้องเดินทางไปหาครูบาอาจารย์สมัยนี้ก็จับโทรศัพท์หรือมีสื่อต่างๆในขัดใจเราก็แก้ความเรครียดแปรสงสัยเหล่านั้นลงไปได้เราําลองคล้ายๆกวาดบ้านไปเรื่อยๆดังกล่าวบ้านมันก็น่าอยู่น่าอาศัยคือพร้อมที่จะใช้สอยจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเจตเดียวกันให้ไม่ใช้งานได้ เพราะอาการสงสัยนั้นก็ให้เกิดอาการชะ ง, งักงันคือเดินไปไม่ได้ทุกเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ลอวสังเกตว่าทุกคนก็มีความรู้สึกตรง น, นี้อยู่ในจุดใดขนาดใดมีความสงสัยบางเกิดขึ้นในจุดนั้นขนาดนั้นทุกอย่างหยุดคือทำไม่ได้ตราบเท่าที่ยังไม่สามารถกระจัดความเครียดแปรงสงสัยตรงนั้นออกไปได้การสอบถามยังถือว่าเป็นวิธีหนึ่ง ในการกระจัยความสงสัยที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆในเรื่องนั้นๆแต่จะต้องสอบถามคนที่ควรสอบถามแล้วก็ต้องมั่นใจว่าเขาให้คาําตอบที่ถูกต้องได้เช่นเรื่องของศาสนาเราก็ต้องถามคนที่รู้เรื่องศาสนาแต่ไม่ได้หมายความว่าถามพระได้ทุกอย่า พระพรามลูกทั้งก็เพิ่งบวชทั้งไม่สามารถจะตอบปัญหาเราได้ก็ต้องดูว่าใครจะตอบคําถามเรื่องนี้ได้สนุนบาลีตัญชัยคำดีพวกพวงดอกไม้นี้มันเกิดขึ้นเพื่อใครแล้วก็ไปสวมขอให้แก่คนนั้นแล้วความเห็นว่าเรื่องเนี้ยใครคนจะตอบได้ตอนนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป